ให้พวกเราสังเกตนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นนะ่ะเพราะหลวงพ่อเห็นฮไม่ใช่เห็นที่อื่นละเห็นกับหลวงพ่อเองเหมือนกันนะ่่ะเอถ้าสมัยตะ ก, ก่อนๆหรือว่าการนั่งภาวานาหรือว่าการที่จะเดินจงกรมเอมันจะลักษณะที่ว่าจูงหมาใส่ฝนลักษณะอย่างนั้น่ะออจูงหมาใส่ฝนพวกเราดูซิถ้าฝนตกแรงๆหนะ่อยจูงหมาไปใส่ฝนออกตากฝนนะ่ะ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 นำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์ไม่มาเวียนไห้ตายเกิดในพฏทะฏสงสารจริงแต่ทันทีพอเราจะเอาเข้าจริงยกิเลสอยู่ในใจเยอย่าหน่ายนะอย่านะหยุดหนะยุดหนะุ ด, ด, ดอย่างนี้แหละมันลังเอาไว้สิเนี่ยแหะจุดนี้แหละจุดที่เราจะต้องต่อสู้กิเลสภายในใจของเราทีนี้ตัวนี้แหละมันไม่ใช่ตัวธรรมดาถ้าเราสังเกตดูแล้วเราจะเห็นในตัวของเราเองเนี่ยะไม่ต้องสังเกตที่อื่น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 รวมสงบนิ่งลงไปจนจิตใจเข้าสู่การพักผ่อนการพักผ่อนคือจิตใจรวมสงบนิ่งจนหายเงียบอจะออกจากกายหายเงียบคล้ายๆว่าสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่มันหลงมันเพลอนนะคล้ายๆมันเด่นอยู่ในนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเด่นอยู่ในนั้นไม่ใช่หายเงียบไป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 เ, เงินคำทรัพย์สมบัติพ่อแม่พี่น้องลกูกหลานคณะาาศรัทธาญาติยมของวัตถุภายนอกล่ะมันจะเป็นของเราได้อยู่หรือคณะร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยหัวใจเนี่ยขาวนี้มาถามใจแล้วเนี่ยทพิจารณาถึงใจทำความเข้าใจในใจท่พิจารณาหลายข้างตา่อไร้ผหลายข้างตา่อไผลหลายข้างตา่อไร้ผลผลในสุขก็เกิดความ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 พวกเราฟังๆดูสิจั้งที่ท่านเกิดมาจากนั้นพระสงฆ์ก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าหน่ยเอ๊พระเทวทัตทำไมพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าอดีตแต่ชาติก็เหมือนกัหนาวนะพระเทวทัตเนี่ยไม่รู้บุญคุณนะแต่นี่พระสงฆ์ก็เลยถามสมัยไหนพระเจ้าข่าเนะีพระองค์บอกสมัยหนึ่งเออเราเกิดเป็นพญานื้อนะอยู่ในป่า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 จากนั้นก็เขาก็ใส่แผ่นใส่หลังช้างประกาศไปแต่นี่บุรุษคนนั้นก็มากมาเจอพอดีเนี่นนะแต่กรรมกรรมมันเป็นอย่างังนะมันพอเหมาะพอเจาะทุกอย่างแล้วพอไปเห็นกับคนนี้ก็อยากจะได้เงินอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเป็นนี่เป็นศีลเขานะ่ะบอกว่าเอ้ยข้าพะเจ้ารู้ว่าเนื้อทองอยู่ที่ไหนทั้งที่เนื้อทองเขามีเป็นผู้มีพระคุณนะตัวเองก็เนี่ยนะ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 อย่าไปพูดนะเงียบๆนะออพอเขาไปล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก่นล้อมเจอแล้ล้อมถึงแล้ละตะโกนหน่อยล้อมทั้งสองสามชั้นมานพอตะโกนเนื้อทองตัว น, นั้นก็มองไปมองมาไปเห็นคนอบุรุษคนนั้นะยืนเคียงคู่กับพระราชาอยู่สองสามคนถือธนูอยู่เนื้อตะนาโอ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 หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วเนะีเหมือนกับพระรหันต์ตายในปากเสืออย่างงั้นอะ่ะเสือฆ่าไปกินเนะี่ยท่านก็เลยสําเร็จเป็นพระรหันต์ในปากเสืออย่างงั้นก็ยอมตายเพราะมันจบทีเดียวแลออเป็นพระรหันต์แล้วจะเป็นยังไงก็เป็นนะี่ยเพราะมันหมดกิเลสแล้วแต่ถ้าว่ายังไม่หมดกิเลสเนะี่ยโอ้ตายยังไงก็ไม่น่าจะตายเหมือนกันน่านะขอให้พวกเราทุกคน่ะ